บทที่ 59, ห้าสิบเก้าตาแหลงห้วยผลการไล่ผีเมื่อคืนเป็นยังไรบ้างครับหลวงพ่ออาจารย์ชิดถามหลังจากสอบอารมณ์เสร็จแล้วท่านเจ้าของกุฏิจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เขาฟังอย่างละเอียดและสรุปว่าโชคดี ที่อาตมาได้วิชาพิสูตผีมาถึงได้รู้เดี๋ยวนั้นสมัยผีตะเหล็งหวยมาเข้าเยปาต้องพิสูตอยู่หลายวันเพราะตอนนั้นยังไม่ได้วิชาท่านหมายถึงวิชาเห็นหนอจะเป็นการรบกวนมากไปหรือเปล่าครับหากผมจะนิมนต์ให้หลวงพ่อเล่าเรื่องตะเหล็งหวยเพราะหลวงพ่อเคยเกล่นๆไว้แล้ว เาเล่าเรื่องยายเสีอิ่งบุรุษวัยหกสิบถามอย่างเกรงใจโยมอยากฟังหรือครับผมอยากฟังฟังหลวงพ่อเล่าแล้วรู้สึกเพลินจนลืมปวดแผลเลยล่ละครับเขาว่า อ, อ๋อลืมปวดก็ได้ด้วยนั่นก็น่าจะลืมบ่อยๆนะท่านสัพพยอกครับ ถ้าหลวงพ่อเล่าบ่อยๆผมก็คงลืมบ่อยๆได้อดีตอาจารย์สนองด้วยได้โอกาสเอาละถ้าอย่างนั้นก็จะเล่าให้ฟังเสเลยเรื่องนี้เกิดก่อนเรื่องยายสะอิงปีหนึ่งตอนนั้นอาตมาอยู่ที่วัดพรหมบุรียังไม่ได้มาอยู่ที่วัดนี้ปี 2,500 หก่อนหน้านั้น อยู่ที่วัดพรมบุรีเรื่องของตาเหลงห้วยเกิดเมื่อปี2499อาตมาจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันโกนรุ่งขึ้นจะเป็นวันศาสไทยอาตมาก็ออกไปบินธบาตตามปกติอาตมาออกบินธบาตหกโมงเช้าทุกวันในวันเกิดเหตุพอออกประตูวัดมาก็เห็นคนแขวนตรงเตงอยู่ที่ต้นแมงเมา ยมรู้จักต้นแมงเมาหรือมผลมันเล็กๆเท่าไข่แมงดากินอร่อยอมเปรี้ยวอมหวานสมัยเด็กๆอาตมาชอบกินท่านถามคนฟังไม่รู้จักครับบุรุษวัยหกสิบตอบเอาละไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรทั้งเชียงใหม่คงไม่มีต้นไม้ชนิดนี้ถึงภาคกลางก็หายากแล้ว เพราะคนขยันตัดไม้ทำลายป่ากันเลอกเกินไม้หลายชนิดต้องสูญพันธ์ไปเพราะความเห็นแก่ตัวของมนุษย์อีกหน่อยเธอแผ่นดินจะกลายเป็นทะเลทรายถ้าไม่ลดละความเห็นแก่ตัวลงรับรองได้เห็นทะเลทรายแน่ท่านพระครูทำนายทายทักเรื่องอย่างนี้พูดยากครับหลวงพ่อเพราะผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นคนใหญ่คนโตทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยทำงานไม่ได้เต็มความสามารถเพราะมักจะไปขัดผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลก็เลยต้องทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและลูกเมียคนทุกวันนี้ไม่ค่อยจะกลัวบาปกลัวกรรมไม่มีหิริโอดตัะกันเลยบุุษสูงวัยพูดพรางทอดถอนใจ มันเป็นกรรมของเขาแหละโยมคนพวกนี้ถ้าเปรียบก็เหมือนคนที่เห็นกงจากเป็นดอกบัวต่อเมื่อกดแห่งกรรมทำหน้าที่มารายเหมือนนั้นเขาก็จะรู้ว่ากงจากก็คือกงจากคนทำชั่วก็ต้องได้ชั่ววันยังคำ่ำโยมคอยดูไปก็แล้วกันเอาละทีนี้มาเล่าเรื่องตาเหลงห้วยต่อเพราะอาตมาเห็นคนห่อยตงเตงอยู่ที่ต้นแมงเมา ก็เข้าไปดูไกลๆโอโ ห, หน่ากลัวเชียวตาถลนโผนออกมาลิ้นห้อยยาวตั้งคืบและหลวงพ่อกลัวหรือเปล่าครับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงตอบตรงไปตรงมาว่ากลัวสิทําไมจะไม่กลัวเพราะตอนนั้นยังไม่ได้วิชาแต่ต่อมาหลังจากได้วิชาพิสูจน์แล้วอัตมาก็เลิกกลัวผีเพราะไม่มีอะไรหน่ากลัว คนบางคนยังหน่ากลัวซิยิงกว่าผีจริงไหมจริงครับและหลวงพ่อทำอย่างไรครับวิ่งหนีหรือเปล่าก็อยากวิ่งเหมือนกันแต่เกรงใจผ้าเหลืองเป็นพระวิ่งไม่ได้นะโยมมันผิดวินยัยอาตมาจึงไม่วิ่งได้แต่เดินเร็วๆไปบอกคนในตลาดให้มาช่วยกันเอาศพลงโยมจำไห้นะ วิธีเอาศพคนที่ผูกคอตายลงนั้นนะ่ะอย่าไปแก้เชือกห้ามแก้เชือกเด็ดขาดแต่ให้ใช้มีดโต้ฟันจนเชือกขาดแล้วศพหล่นลงมาเองอัตมาแนะวิธีให้เขาพอศพหล่นลงมาจึงได้ดรู้ว่าเป็นตาเหลงห้วยเลยไปตามเจเจียร้านสาวที่แก้ขายของอยู่ในตลาดปากบางมาดู เจแกก็เอาศพไปฝังตามประเพณีทำไมแกถึงผูกคอตายครับอาจารย์ชิดถามก่อตอนนั้นยังไม่มีใครทราบสาเหตุแต่ตอนที่แกมาเข้ายายเผาอัตมาก็ถามก็ได้รู้แกบอกอัตมาว่า แกน้อยใจถิล้านสาวคือเจเจียไม่เห็นเงินซื้อฟินสูบเลยผูกคอตายซึ่งกัดตรงกับที่เจเจียสนิษฐานเอาไว้เจเจียเล่าว่าตะเลงหวยเป็นพี่ชายของเตียแกนี้มาจากเมืองจีนเมื่อสี่สิปีก่อนมาอยู่กับน้องชายคือเตียของแกพอเตียแกตายก็เลยอยู่กับแกตั้งแต่มาอยู่เมืองไทย ตาเหลงห้วยไม่เคยคบหาสมาคมกับใครแล้วก็พูดไทยไม่ได้ตอนหลังเจ้แกจับได้ว่าลุงติดฟินแล้วก็ขโมยเงินแกไปซื้อฟินสูกทุกวันก็เลยเก็บเงินไว้อย่างมิดชิดไม่ให้ลุงขโมยได้ตะเหลงห้วยเมื่อขโมยไม่ได้ก็เปลี่ยนมาขอแทนเจ้แกก็ไม่ให้เพราะอดฟินมากๆตาแป๊ะคงกลุ้มใจ ก็เลยผูกคอตายแสดงว่าแกเจตนาฆ่าตัวตายใช่ไหมครับแบบนี้ก็ต้องตกนรกสิครับคนฟังออกความเห็นถูกแล้วโยมตะเหลงหวยไปตกนรกที่อาตมาทราบเพราะแกเป็นคนมาบอกตอนที่มาเข้ายายพาวรายนี้ผีจริงมาเข้าก็เรียกว่าผีนรกก็ได้เพราะเขานี้มาจากเมืองนรก หนีมาได้อย่างไรครับแกบอกหรือเปล่าบอกละเอียดเลยละโยมพอแกตายครบปีก็มาเข้ายายเผาวันนั้นตรงกับวันโกนรุ่งขึ้นก็เป็นวันศาสตร์ซึ่งตรงกับวันที่แกผูกคอตายครบปีพอดีประมาณตีหนึ่งคนเขาก็มาตามอาตมาไปช่วยไล่ผีบอกว่ายายเผาถูกผีเข้า อาตมาก็ไปกับเขาพอถึงบ้านก็เห็นยายเพานอนหลับตาส่งภาษาเจนลงเลงเลยเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆไม่ใช่เสียงยายเพาอาตมาฟังไม่รู้เรื่องคนอื่นๆก็ไม่รู้ก็เลยไปตามไอเฮียคนหนึ่งมาจากตลาดให้มาช่วยเป็นล่ามอาตมาก็สัมภาษณ์ตะเลงห้วยโดยผ่านล่าม อาตมาถามว่าแกเป็นใครมาจากไหนแกก็ตอบผ่านล่ามว่าแกชื่อตะแปะเหลงห้วยที่ผูกคอตายไต้ต้นแมงเม่าเมื่อปีกลายอาตมาถามถึงสาเหตุที่ผูกคอตายแกก็ว่าน้อยใจหลานสาวที่ไม่ให้เงินซื้อฝินสูบตอนนี้แกอยู่ในนรกอยู่กับห้วยเสียดเท่าชื่อมดยมรู้จักไม่ว่า นรกอยู่ที่ไหนท่านถามคนฟังไม่ทราบครับคนเฒ่าคนแก่ก็เลยบอกว่านรกอยู่ใต้ดินใช่ไหมครับนั่นสิอัตมาเคยเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันถึงกับลงทุนขุดดูแต่ไม่ยักเจอนรกเจอแต่ไส้เดือนกิ่งกือคนฟังหัวเราะแล้วก็ถามว่าและหลวงพ่อถามตะแป๊ะหรือเปล่าครับ ว่า น, นรกอยู่ตรงไหนถามสิแกก็ตอบว่ายังไงรู้ไหมไม่ทราบครับแกตอบว่าก็อยู่ตรงที่แกผูกคอตายนั่นแหละแกยังเห็นอาตมาเดินบิณฑบาต ท, ทุกวันแกว่าแกทักอาตมาแต่อาตมาไม่พูดกับแกอาตมาไม่รู้นี่ว่าแกทักถ้ารู้ก็หยุดคุยกันแล้วจริงไหม ท่านถามคงจริงมั้งครับบุรุษสูงวัยตอบอัตมาก็เลยถามอีกว่านรกเป็นยังไงนรกมีจริงหรือแกก็บอกว่ามีจริงแกกับห้วยเสียดเท่าที่ชื่อมดถูกเขาทําโทษทุกวันเขาเคี่ยนจนแขนขาขาดพอขาดแล้วมันก็มาต่อกันอีกเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวัน อันนี้ภายหลังอาตมาได้ตรวจสอบคำพีพระไตรปิฎกปรากฏว่ามีข้อความคล้ายๆกันอย่างเช่นในเล่มที่ส4ถ้าอาตมาจำไม่ผิดในเล่มที่ส4ที่อธิบายสภาพของมหานรกแล้วก็สรุปลงท้ายว่าสัตว์นั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในมหานรกนั้น และยังไม่ตายตราบใดบาปกรรมยังไม่สิน้นอันนี้มันกับที่ตะแปะเหล็งห้วยเล่าว่าเมื่อเคียนจนแขนขาดขาขาดแล้วมันก็มาต่อกันใหม่คงจะเป็นทํานองเดียวกันนี้โยมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับและหลวงพ่อถามแกหรือเปล่าครับว่ามาเข้าใยพาวได้ยังไงถามสิแกวันนี้เข้ามา วันโกนวันพระเขาหยุดลงโทษทันเพื่อให้พวกสัตว์นรกไหว้พระสวดมนต์และเจริญสติปัฏฐานสี่อันนี้ก็ต้องมาตรงกับที่ยายเซิงเล่าในปีถัดมาหลังจากที่อาตมาย้ายมาอยู่ที่วัดนี้แล้วมันก็แปลกนะคือโยมว่ายังไงประโยคหลังเป็นคำถามเช่นเคยครับผมก็ ว่าแปลกแปลกแต่จริงผมเชื่อครับว่าเป็นเรื่องจริงบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าผมเชื่อรู้สึกว่าโยมจะเชื่อง่ายจริงๆนะระวังเถอะคนที่เชื่ออะไรง่ายๆมักจะถูกหลอกท่านยาวหลวงพ่อไม่เชื่อเหรอครับเขาย้อนถามตอนแรกก็ยังไม่เชื่อเพราะอาตมาเป็นคนเชื่ อ, อยาก ต้องพิสูจน์ให้เห็นด ำ, ดำเห็นแดงกันเสียก่อนจึงค่อยเชื่อแล้วที่แกบอกว่าอยู่กับห้วยเสียดเท่าที่ชื่อมดนั้นใครครับอาตมาถามอาเสียที่เป็นล่ามดูเขาบอกว่าห้วยเสียดเท่าแปลว่าสมพานตะเหลงห้วยบอกอยู่กับสมพานที่ชื่อมดเรื่องนี้อาตมาไม่รู้มาก่อน ก็ได้ไปสืบถามคนเฒ่าคนแก่ดูก็ได้ความว่าอย่างเดียวกันแสดงว่าเรื่องนี้เชื่อถือได้คนแรกที่ถามก็คือยายของอาตมาเองยายเล่าว่าสมพานมดตายเมื่อเมื่อห้าสิบปีก่อนตอนนั้นอาตมายังไม่เกิดท่านเป็นสมพานอยู่วัดพรหมนครที่ตายเพราะปูกคอตายแบบเดียวกับตาเหลงห้วย อาตมาก็ได้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งว่าทำกรรมอย่างเดียวกันก็ต้องไปเกิดด้วยกันสมภารมดกับตะหลงห้วยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ได้ผูกคอตายเหมือนกันเลยไปได้รู้จักกันในนรกมันก็แปลกดีนะโยมครับแปลกมากทีเดียวถ้าอย่างนั้นพวกที่ร่วมวงกันดื่มเหล้าเมาเช้าเมาเย็น พอตายก็คงไปอยู่ในกระทะทองแดงใบเดียวกันใช่ไหมครับบุรุษผู้สูงอายุถามมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นมั้งอาตมายังไม่เคยดื่มเหล้าสักทีตั้งแต่บวชมาเนี่ยยังไม่เคยดื่มเหล้าเลยสักหยดแล้วท่านก็หัวเราะหึห่ คนฟังก็หวเราะและถามว่าทำไมสมพันธ์มดจึงผูกคอตายล่ะครับยายเล่าว่าท่านกลุ้มใจแก้ปัญหาไม่ได้เลยผูกคอตายคือญาติโยมเขาบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์เสร็จแล้วพวกกรรมการก็เอาเงินไปใช้หมดพอญาติโยมเขาทวงถามมาท่านก็ว่าเมื่อไหร่จะสร้างโบสถ์เสร็จเสักที ท่านหาทางออกให้ไม่ได้ในที่สุดก็เลยตัดสินใจผูกคอตายไม่น่าเลยนะครับอุตส่าห์บวชมานานกระทั่งได้เป็นสมภารพอตายกลับไปตกนรกอย่างน่าอนาถเหลือเกินเงียบกันไปพักหนึ่งคนเป็นอาจารย์จึงถามขึ้นว่าแล้วหลวงพ่อใช้วิธีไหนไล่ผีตะหลงห้ยครับปรุงยาให้กินแบบยายเช้าหรือเปล่า ทำอย่างนั้นไม่ได้สิผีจริงกับผีปลอมจะใช้ชีวิตเดียวกันได้ยังไงอัตมาต้องถามแกว่าที่มาเข้ายายเผาเนี่ยต้องการอะไรแกก็ว่ามาบอกอัตมาให้ช่วยไปบอกล้านสาวแกว่าไม่ต้องทำบุญกรวดน้ำไปให้เพราะแกไม่ได้รับถ้าจะให้แกได้รับต้องเจริญกรรมฐานแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ อาตมาก็รับปากว่าจะบอกให้แกก็ขอบอกขอบใจอาตมาและบอกต้องรีบกลับแล้วประเดี๋ยวเขารู้หนีมาจะถูกทำโทษพอแกล่ำลาเสร็จยายเผาก็แน่นิ่งไปครู่หนึ่งก็เลืมตาพอแกเห็นอาตมาก็รีบลุกนั่งถามว่าหลวงพ่อมายังไงดึกดึกด่นๆ อาตมาก็บอกว่ามาไล่ผีให้แกแกก็ไม่เชื่อว่าอาตมาล้อเล่นอาตมาก็ถามแกต่อหน้าคนอื่นๆว่าโยมเพาเจี๊ยบ ป, ปึ้งแปลว่าอะไรแกบอกไม่ทราบเจ้าค่ะก็สรุปได้ว่าผีจริงนั้นไม่ต้องไล่เข้ามาทุระพอเสร็จธุระเขาก็ออกเองพอรุ่งเช้าอาตมาไปหาเจเจียบอก เจ๊เอาแปะลือมาเข้าใยเมาสั่งให้ลือเจริญกรรมฐานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เจเจียแกตะอคอกใส่อาตมาว่ากรรมฐานกรรมฐานอะไรว่าไม่สนใจหรอกเสียเวลาทามาหากิงแม่พอพูดอย่างนี้อาตมาก็เลยต้องรีบกลับวัดตกลงตาเลงห้วยก็เลยไม่ได้รับส่วนบุญกุศลจากหลานสาว น่าสงสารแกนะครับนั่นสิอาตมาก็ได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าบุญกุศลนั้นเราต้องสร้างของเราเองอย่าไปหวังคอยลูกหลานจะส่งให้หรือว่าอุทิศไปให้ตอนตายคนเดี๋ยวนี้เ้าไม่ค่อยเข้าวัดไม่ค่อยสร้างความดีแล้วจะเอาบุญกุศลที่ไหนมาอุทิศให้คนอื่นโยมว่าจริงหรือเปล่าจริงครับ ผมว่าตัวของตัวเองก็ยังเอาไม่รอดประสาอะไรจะไปบวชช่วยคนอื่นผมไม่หวังรอรับส่วนบุญจากใครหรอกครับผมจะสร้างของผมเองที่จริงผมน่าจะขอบใจโรคภัยไข้เจ็บของผมนะครับถ้าผมไม่ป่วยป่า น, นี้ก็คงไม่คิดเข้าวัดแต่การเข้าวัดก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมาสร้างบุญสร้างกุศลกันหมดทุกคนหรอกนโยมนะ บางคนเข้าวัดมาทำธุรกิจกับพระเช่นมาขายของมาขอหวยพวกนี้มาวัดบ่อยแต่ไม่เคยเอาธรรมะกลับไปบ้านถึงคนที่อยู่กับวัดเองก็เถอะไม่งั้นยายสะอิ่งคงไม่มาบอกอาตมาว่าพระก็ไปตกนรกท่านพระครูหยิบเรื่องจริงขึ้นมาพูดครับหรืออย่างสมภานมดที่หลวงพ่อเล่าก็เหมือนกันพูดถึงเรื่องพระตกนรก ผมให้สำนึกถึงมหาเสเมียนองค์นี้ผมก็คิดว่าไม่พ้นอเวจีนรกเพราะเศษเมตุนี่ก็ต้องตกนรกอเวจีใช่ไหมครับในพระวินัยบอกไว้อย่างนั้นท่านเจ้าของกุฏิกล่าวอ้างพระวินยัยครับผมว่าป่านนี้มหาเสเมียนก็คงชดใช้กรรมอยู่ในอเวจีมหานรก คงอีกนานกว่าจะได้ผุดได้เกิดคนชั่วบางทีฟ้าดินลงโทษนะครับหลวงพ่อขอโทษท่านตาเห็นเลยมหาเสเมียนที่ว่านี้ท่านเสพเมทุนครับพวกชาวบ้านเขารู้เขาเห็นก็เลยไปฟ้องเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็บอกไม่รู้จักจัดการอย่างไรเพราะท่านไม่เห็นกับตาตัวเองว่าผิดจริง จึงพอเวลาเขาเข้ามานิมนต์ท่านไปดูท่านก็ไม่ยอมไปอ้างว่าเดี๋ยวจะเป็นอาบัติมหาสมียนก็ได้ใจกำเริบเสบสารเป็นการใหญ่วันหนึ่งกำลังเสพเมถุนกับชีอยู่ในโบสถ์ก็ปรากฏว่าฟ้าผ่าลงมาตายทั้งคู่เลยครับพวกชาวบ้านพากันสมน้ำหน้าแบบนี้เขาเรียกว่าฟ้าดินลงโทษใช่หมครับหลวงพ่อ ก็คงอย่างนั้นมัง้งฟ้าดินคงรำคาญที่จะอาวาดไม่มีน้ำยาพระลูกวัดทำผิดขนาดนั้นยังไม่ดำเนินการให้เป็นเรื่องเป็นราวปล่อยให้เจ้าบ้านเขาตำหนิติชิ้นอยู่ได้อาตมายอมไม่ได้นะถ้าเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในวัดอาตมาอาตมาต้องจัดการไม่อย่างนั้นทำให้คนอื่นเขาเสื่อมศรัทธานั่นสิครับ แล้พระแบบนี้ก็มีมากขึ้นทุกวันบางวัดจะอววาดเป็นซิเองนี่ผมไม่ได้ใส่ร้ายพระนะครับหลวงพ่อผมมีหลักฐานมีพยานยืนยันอดีตอาจารย์ผู้ออกตัวไว้ก่อนอาตมายังไม่ได้ว่าอะไรโยมนี่นาะท่านพระครู พูดด้วยเสียงปกติครับถ้าเผื่อหลวงพ่อว่าผมก็จะมีหลักฐานครับหลวงพ่ออย่าหาว่าผมเอาพระมานินทานะครับอาตมาไม่ว่าหลอกหน้าโยมสบายใจได้ไม่ต้องกลัวอาตมาจะเข้าข้างพระถึงเป็นพระก็ไม่เข้าข้างพระอาตมาไม่เข้าข้างคนผิดอยู่แล้วเมื่อท่านพูดเช่นนี้อาจารย์ชิดจึงเล่าต่ออีกว่า จเจ้าอาวาสสององค์นี้ท่านมีตำแหน่งด้วยนะครับคือเป็นถึงเจ้าคณะจังหวัดเห็นคนเล่าเล่าว่าตำแหน่งนี้ก็ซื้อมาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจริงหรือเปล่าไม่ทราบจริงๆว่าสมณศักดิ์ก็มีการซื้อขายกันด้วยหลวงพ่อทราบหรือเปล่าครับเขาถามท่านพระครูไม่ทราบ อาตมาไม่เคยได้ยินเขาพูดกันทํานองนี้จะเท็จจริงอย่างไรอาตมาไม่ทราบแล้วก็ไม่อยากออกความเห็นใดๆคงไม่ว่ากันนะครับแต่ผมภาวนาขออยา้เป็นความจริงขอให้เรื่องคอรับชัน้นเรื่องกินสินบาทค่าสินบนมีอยู่เฉพาะในวงการครหัตเธออย่าได้มีอยู่ในวงการพระสงฆ์เลยสาธุ ผมขอภาวนาบุรุษวัยหกสิบยกมือขึ้นประนมขณะพูดสาธุอัตมาขอภาวนาอย่างนั้นเหมือนกันภาวนาขออย่าให้เกลือต้องจืดเลยเพราะถ้าเกลือจืดนอนมันจะขึ้นที่เขาเรียกว่าเกลือเป็นนอนไงละ่ะนั่นสิครับเพราะสงฆ์มีหน้าที่สอนคนให้ทำความดี แต่ถ้าคนสอนมาทำชั่วซิเองแล้วจะไปสอนใครเขาได้สรุปว่าจะอาวาตสององค์ที่ผมเล่าท่านมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะครับแล้วก็คงได้มาโดยไม่ต้องซื้อแม้ว่าท่านจะรวยมีเงินเป็นสิบสิบล้านฝากธนาคารไว้ก็ตามวันหนึ่งเด็กลูกศิษย์วัดแกไปปีนต้นมะพร้าว จะกินมะพร้าวอ่อนขณะอยู่บนยอดมะพร้าวก็มองเห็นเข้าไปในกุฏิท่านก็เห็นเข้ากลางวันแสกๆเสด้วยแกก็ไปบอกพวกกรรมการวัดพวกกรรมการก็เชื่อเพราะรู้มานานแล้วแต่เขาก็ไม่กล่าวว่าอะไรเพราะเห็นว่าท่านเป็นถึงเจ้าคณะจังหวัดก็พูดเป็นในนว่าพวกเรารู้ท่านก็กลุ่มใจ หน้าดำหมองคล้ำไม่มีราสีเวลาเขานิมนต์ไปงานต่างๆท่านก็นั่งหน้าเศร้าไม่กล้าสบตากับใครต่อจากนั้นอีกไม่นานท่านก็ถูกปล้นแล้วก็ถูกคนร้ายฆ่าตายหลวงพ่อคงเคยได้ข่าวนะครับเพราะเรื่องลงหนังสือพิมพ์ด้วยพ่อท่านถูกฆ่าผู้ ก, กรรมการวัดก็ไป ค, นค้นกุฏิท่าน พบจดหมายรักเป็นสิบสิบฉบับบางฉบับ ก, ก็เขียนพรรณนาถึงความรักยังกับนิยายน้ำเนา่าผมก็เป็นกรรมการวัดด้วยอ่านแล้วต้องยอมรับว่าพวกศรีกาเหล่านั้นเขียนจดหมายได้เก่งจริงๆแล้วก็ยังได้ทราบอีกว่าท่านมีเงินส่วนตัวฝากธนาคารไว้เกือบยี่สิบล้านน่าเสียดายที่เงินทองเหล่านั้นช่วยท่านไม่ได้เลย ผมเห็นแล้วก็ได้แต่ปรงสังเวศบุรุษสูงอายุพูดอย่างสลดหดหูใจท่านเจ้าของกุฏิจึงปรอบเขาว่าอย่าคิดอะไรมากเลยโยมขอให้ทําใจเถอะในอนาคตโยมจะยิ่งเห็นอะไรๆที่เลวร้ายมากกว่านี้คนชั่วจะครองเมืองนะต่อไปเงินจะกลายเป็นพระเจ้าเหล็กที่ว่าแข็งแกร่งปานใดก็จะถูกเงิน ง, ง้างให้อ่อนลงได้ เงินซื้อได้ทุกอย่างอย่างเดียวที่ซื้อไม่ได้ก็คือกฎแห่งกรรมถึงอย่างไรเงินก็ฝืนกฎแห่งกรรมไม่ได้ครับก็ยังดีทิ่กรรมไม่คอรับชั่นหลวงพ่อครับสงสัยยุคนี้จะเป็นยุคทองของคนชั่วนะครับอาจารย์ชิดพูดพรางทอดถอนใจ